จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2560 mm. เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆ จึงได้ตั้งใจมาว่าเพื่อมาทำบุญมาละบามาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะความเชื่อความศรัทธาในการตัดสรุของพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้ทงเห็นถึงบุญถึงบาถึงผลของบุญของบา คือสวรรค์อบายนารกที่พวกเรายังไม่มองยังมองไม่เห็นกันเพราะพวกเรายังถูกความหลงโมหะอวิชชาความโง่เขราบกปิดใจของพวกเราอยู่จึงทำไม่ให้เราเห็นตัวของเราเองเห็นแต่ร่างกาย ที่ไม่ใช่ตัวเราของเราแต่เรากลับไปคิดว่าเป็นตัวเราของเราก็เลยหลงรักร่างกายนี้พยายามเลี้ยงดูร่างกายนี้พยายามหาความสุข <c oughs> ต่างๆผ่านร่างกายนี้แต่เราไม่รู้ว่าต่อไปร่างกายก็จะต้องแก่ลงจะต้องเจ็บ ให้ได้ป่วยแล้วก็จะต้องตายไปเวลาตายไปเราก็คิดว่าเราตายไปกับร่างกายทุกอย่างทุกอย่างบนหรือบาปที่เราทำกันนี้ก็จะไม่มีผลติดตัวไปกับเราเพราะร่างกายเมื่อถูกเมื่อตายแล้วก็เอาไปเผาเอาไปทำชาปนกิจ เราธิ์ก็เหลือแต่ที่เท่า mm hmm. เหลือแต่เศษกระดูกเราเลยมองไม่เห็นว่าใครเป็นผู้ไปรับผลบุญผลบาปกันแต่พระพุทธเจ้านี้ได้ทรงศึกษาได้ทรงค้นคว้าและได้ทรงปฏิบัติจนสามารถเห็นตัวของพระพุทธเจ้าเองที่ไม่ใช่เป็นร่างกาย ที่เราเรียกว่าใจเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้ที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับร่างกายผู้ที่ไม่มีความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกับร่างกายแต่เป็นผู้ที่รับผลบุญผลบาปที่ใจได้กระทําผ่านทางร่างกาย ผลที่เกิดขึ้นเวลาทําบุญใจก็จะมีความสุขมีความเย็นมีความสบายเวลาทําบาปใจก็จะทุกข์ใจจะร้อนใจจะไม่สบายความเย็นความสุขความสบายของใจนี่แหละที่จะเป็นสวรรค์ชั้นต่างๆหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว ส่วนความทุกข์ความร้อนความไม่สบายใจต่างๆก็ะจะกลายเป็นอบายไปกลายเป็นเดลฉานกลายเป็นเปรตกลายเป็นอสูรกายกลายเป็นสัตว์นรกไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้วนำเอามา สั่งสอนให้กับพวกเราเพื่อพวกเราจะได้ทำในสิ่งที่จะให้เรามีแต่ความสุขมีแต่ความสบายมีความล่มเย็นให้เราละเว้นการกระทำที่จะทำให้เกิดทุกเกิดความรุ่มร้อนใจเกิดความไม่สบายใจจึงสอนให้อ่ ให้ละการกระทำบาปทั้งปวงบาป ก, ก็คือการกระทำทางกายทางวาจาที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น mm hmm. เช่นการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการพูดปดและการดื่มสุรายาเมาเพราะถ้าดื่มสุรายาเมาแล้ว ก็จะไม่สามารถควบคุมความคิดไม่สามารถควบคุมการพูดการกระทําของตนได้ก็มักจะไปคิดในทางที่ไม่ดีพูดในสิ่งที่ไม่ดีและกระทําในสิ่งที่ไม่ดีดังนั้นถ้าเราไม่อยากที่จะตั้งรับผลของบาปคือความทุกข์ใจ ความร้อนใจความไม่สบายใจและการต้องไปเกิดในอบายหลังจากที่เราตายไปแล้วเราก็ต้องรักษาศีลห้าให้ได้ไม่กระทาบาปทั้งห้าประการและยังต้องละการเสพอบายามุกต่างๆด้วยเพราะอบายามุกจะเป็นเหตุที่จะทำให้เรา ต้องไปทำบาปต่อไปคืออะไรคืออบายามุขอบายแปลว่าที่ไปอยู่ของผู้กระทำบาปมุข ค, คือประตูหรือทวานทางเข้าผู้ที่เสพอบายามุขก็คือผู้ที่กำลังไปยืนอยู่ที่ประตูทางเข้าไปสู่อบายคือถ้าเราไปเสพอบายามุขแล้ว อบายามุกนี้ก็จะเป็นเหตุที่ทำให้เราไปทำบาปต่อไปอะไรคืออบายามุกก็มีอยู่หนึ่งการดื่มสุรายาเมาการเล่นการพนันการเที่ยวกลางคืนการเที่ยวดูสิ่งลเล่นต่างๆการคบคนทำบาปเป็นมิตรและความเกียดคร้าน นี่คือสิ่งที่เราควรหลีกเลี่ยมอย่าไปทำเพราะถ้าเราทำแล้วมันก็จะทำให้เราต้องไปทำบาตต่อเช่นถ้าเรามีความเกียจคร้านเราไม่ขยันไม่ขยันเรียนหนังสือเวลาที่เป็นเด็กหนีโรงเรียนเรียนไม่จบพอโตขึ้นจะไปทำงานก็หางานยากงานก็ เป็นงานที่ลำบากงานที่ต้องใช้แรงงานงานที่ใช้สมองนี้เราทำไม่ได้เพราะเราไม่มีความรู้เราก็ต้องไปทำงานแบบกรรมกรใช้แรงงานแล้วถ้าเราขี้เกียจเราก็จะไม่อยากทำพอเราไม่ทำไม่ไปทำงานเราก็จะไม่มีรายได้แต่เรามีรายจ่ายเราอยาก ใช้เงินใช้ทองซื้อสิ่งต่างๆพอเราไม่มีไรายได้แต่เรายังอยากซื้อสิ่งต่างๆอยู่มันก็จะทำให้เราต้องไปหาไรายได้หนวิธีที่ไม่ถูกต้องเช่นไปลักทรัพย์ไปช่อโกไปป้นไปจี้ธนาคารเป็นต้นหรือไปโกหกหลอกลวงผู้อื่น เพื่อให้ได้ทรัพย์มาชัยนี่คือเรื่องของอบายยมุขที่ทําไปแล้วมันจะทําให้เราจะต้องไปทําบาปเพราะการเสพอบายยมุขนี้ไม่ได้ทําให้เกิดรายได้มีแต่รายจ่ายเที่ยวกลางคืนก็มีแต่รายจ่ายเที่ยวดูการละเล่นต่างๆก็มีแต่รายจ่ายเล่นการพนันก็มีแต่รายจ่าย เล่นไปแล้วเวลาไ ด, ได้ก็อยากจะได้อีกก็เล่นต่อพอเล่นต่อพอเสียก็อยากจะได้คืนก็เล่นต่ออีกเล่นต่อไปเดี๋ยวก็เสียหมดพอเงินหมดก็ต้องไปนักขโมยเงินมาเล่นต่อหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องขายทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองขายบ้านขายที่ดินเล่นไปก็จะหมดเนื้อหมดตัว พอไม่มีเงินทองที่จะซื้อสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพก็ต้องไปทำอาชีพที่ผิดกฎหมายอาชีพที่ผิดศีลธรรมตายไปก็ต้องไปรับผลคือจะต้องไปเกิดในอบายผู้ที่ทำบาปห้าข้อนี้ตายไปท่านบอกว่าจะต้องไปเกิดในอบายอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นถ้าทำบาปด้วยความหลง ก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะไปเกิดเป็นเปรตทำบาปด้วยความกลัวก็จะไปเกิดเป็นอสูรลกายน์ทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นโกรธเกลียดตายไปก็ต้องไปนรกนี่คือเรื่องของอบาปและผลของบาปคือวิบาก ที่จะตามมานี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงได้ตัดสรุทรงเห็นจึงนำเอามาสอนมาเตือนมาบอกพวกเราว่าถ้าไม่อยากจะไปอบายอย่าเสพอบายยมุกอย่าทำบาปถ้าเราไม่เสพอบายยมุกไม่ทำบาปเวลาตายไปเราก็ไม่ต้องไปอบายเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เลย แต่ถ้าเราได้ทำบุญทำบุญทำทานทำคุณทาประโยชน์ทำสิ่งที่ดีต่อผู้อื่นทำให้ผู้อื่นมีความสุขเช่นวันนี้ญาติโยมก็นำเอาข้าวของเงินทองต่างๆมาถวายพระอันนี้ก็เป็นการให้ความสุขแก่พระสงฆ์องค์เจ้าการให้ความสุขแก่ผู้อื่นนี้เรียกว่าบุญ พอทําทแล้วผู้ที่ทําก็จะได้ความสุขกลับไปเวลาเราได้ให้ความสุขแก่ผู้อื่นเราก็จะรู้สึกมีความสุขเกิดขึ้นมาความสุขที่เกิดขึ้นในใจเรานี้คือสวรรค์เวลาตายไปใจของเราก็จะไปสวรรค์สวรรค์ก็มีหลายชั้นถ้าทําบุญนะว่ก็ไปชั้นต่าง ถ้าทำบุญมากก็ไปชั้นสูงนี่นี่คือผลที่จะตามมาหลังจากที่เราตายไปแล้วถ้าเราไม่ทำบาปเราทำบุญเราก็จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นเทวดาชั้นเทพไปเป็นเทพชั้นต่างๆแล้วถ้าเราทำบุญมากกว่านี่คือนอกจากรักษาสีลห้าแล้ว เราก็มารักษาศีลแปดต่อแล้วเราก็มาวัดมาไหว้พระสวดมนต์มานั่งสมาธิทำใจให้สงบใจของเราก็จะก้าวขึ้นสู่ระดับสวรรค์ชั้นพรหมเวลาตายไปเราก็จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมนี่คือผลที่เกิดจากการทำบุญและทำบา หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วใจของเราที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายก็จะไปเป็นเป็นสัตว์ชนิดต่างๆตามบุญตา ม, บ, mejor, ตามบาปที่เราทําไว้แต่เราทําแล้วเราได้ไปเกิดในภพต่างๆแต่ไม่นานภาพนั้นก็จะหมดไปคือเมื่อเราทําบาปเราไปเกิดในอบาย พอบาปที่ส่งเราไปใช้กรรมนาบายมันหมดลงเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เช่นเดียวกับการที่เราไปเกิดบนสวรรค์ชั้นต่างๆพอบุญที่ส่งเราไปสวรรค์ชั้นต่างๆหมดลงไปเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วเราก็มาทําบุญทําบาปกันใหม่มาแก่มาเจ็บมาตายกันใหม่ นี่คือเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดของจิตใจของพวกเราการตายนี้ไม่ได้สูญสูญแต่ร่างกายแต่ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจยังต้องไปรับผลบุญผลบาปต่อเมื่อได้รับผลบุญผลบาปเสร็จแล้วก็กลับมาเกิดใหม่กลับมาแก่มาเจ็บมาตาย มาทำบุญทำบาปมาทำอะไรต่างๆตามความโลภตามความอยากของเราใหม่นี่คือเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกที่จะเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างนี้ไปไม่มีวันจบสิ้นจนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าพระพุทธทเจ้าได้ส่งค้นพบสาเหตุ ที่ทำให้พวกเราต้องกลับมาเกิดกันอยู่เรื่อยๆและทรงค้นพบวิธีที่จะหยุดสาเหตุนี้กำจัดสาเหตุนี้ให้หมดไปจากใจพอพระองค์ได้กำจัดสาเหตุที่ทำให้พระองค์ต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆหมดไปใจของพระองค์ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปใจของพระองค์ก็ประทับอยู่ ที่พระนิพพานที่ไม่มีความเกิดไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความตายมีแต่บำลมบสุขเป็นที่ตั้งของจิตใจมีความสุขตลอดเวลาไม่มีวันสิ้นสุดถ้าพวกเราได้มาพบกับพระพุทธเจ้าก็ดีพบกับพระธรรมคําคสอนก็ดีหรือพบกับพระอริยสงสาวกก็ดีเราก็จะได้ เรียนรู้เหตุที่ทําให้พวกเรามาเวียนว่ายตายเกิดกันแล้วเรียนรู้เหตุที่จะกําจัดเหตุที่ทําให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกันเหตุที่ทําให้เรามาเกิดแก่เจ็บตายกันก็คือกิเลสตัณหานี่เองความโลภความโกรธความหลงหรือความอยากสามประการการมาตัณหาความอยากในรูปเสียงเกล็ดรถ ภาวะตันหาความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตันหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นที่พวกเรามีอยู่ในใจกันตลอดเวลาเดี๋ยวก็อยากดูเดี๋ยวก็อยากฟังเดี๋ยวอยากริมรสดมกลิ่นอยากสัมผัสกับสิ่งต่างๆฐานทางร่างกายเดี๋ยวก็อยากมีอยากเป็นอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากให้คนนั้นทําอย่างนั้นอยากให้คนนี้ทาอย่างนี้ หรือว่าอยากไม่ให้อยากไม่ได้สิ่งนั้นอยากไม่ได้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากไม่ให้คนนั้นทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ <evet. S 1> ความอยากเหล่านี้แหละที่เป็นตัวที่ผลักดันให้เราต้องกลับมาเกิดหลังจากที่เราได้ไปใช้บาปใช้บุญตามภพต่างๆแล้วความอยากก็จะดึงเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาทำบุญทำบา มาทำตามความอยากตามความโลภต่างๆ ต, ต่อไปถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายซ้ำซากเราก็ต้องทำตามที่วิทธเจ้าทรง ส, งสอนให้กระทำคือให้ชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ชำระความโลภโกรธหลงชำระความอยากต่างๆคือการมตัญหาภาวะตัญหาและวิภวะตัญหาให้หมดไปจากใจ สิ่งที่จะมาชำระใจให้สะอาดได้ก็คือการภาวนาจิตตภาวนามีสมถภาวนาและวิปัสนาภาวนาสมถภาวนาก็คือการทำใจให้สงบหยุดความคิดต่างๆเพราะเวลาหยุดความคิดแล้วความโลภ ก, ก็ไม่ทำงานความอยากก็ทำงานไม่ได้เพราะความโลภความอยากต้องอาศัยความคิดเป็นเครื่องมือ เช่นเวลาเราคิดถึงขนมนมเนยเราก็อยากจะกินขึ้นมาคิดถึงที่ท่องเที่ยวก็อยากจะไปเที่ยวแต่ถ้าเราหยุดคิดเราก็จะไม่ได้เกิดความอยากต่างๆแล้วการทำใจให้สงบนี้กับทำให้เรามีความสุขมากกว่าที่เราได้ความสุขจากการไปเที่ยวจากการไปทำตามความอยากต่างๆถ้าเราสามารถ ควบคุมใจของเราให้หยุดคิดได้นั่งสมาธิทำใจให้สงบได้เราก็จะหยุดความโลภความอยากได้ชั่วคราวแล้วก็ได้พบกับความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากการไปทำตามความอยากต่างๆวิธีที่จะทำใจให้สงบเราก็ต้องมีสติกำกับควบคุมความคิดให้มีอะไรอย่างใดอย่างหนึง่งผูกใจไว้ เช่นคำบริกรรมพุทโธพุทโธ ถ, ถ้าเราบริกรรมพุทโธพุทโธเราก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้หรือเราจะใช้การสวดมน์ก็ได้สวดมน์ไปเราก็จะไม่สามารถคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้หรือเราฟังเทศฟังธรรมอยู่ตอนนี้ถ้าเราตั้งใจฟังจดจ่ออยู่กับการฟังธรรมเราก็จะไม่ไปคิดเรื่องต่างๆได้ หรือเราจะจดจ่อ ด, ดูกับการเคลื่อนไหวของร่างกายเราก็ได้เรากำลังทำอะไรให้มีความรู้อยู่กับการกระทำของร่างกายเราก็จะไปคิดเรื่องต่างๆไม่ได้พอเรานั่งเราก็ดูลมหายใจเข้าออกไม่ไม่ให้ใจไปคิดเรื่องเราต่างๆแล้วเดี๋ยวใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบพอสงบแล้วความโลภความอยากต่างๆก็จะหยุดทางาน ผลจองการหยุดทำงานของความโลภความอยากก็ทำให้ใจเรามีความสุขขึ้นมาแล้วเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่ทำให้เราไม่มีความสุขกันก็คือความโลภความอยากพอเราออกจากความสงบมาพอเราเริ่มคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้เดี๋ยวเราก็เกิดความอยากขึ้นมาพอเกิดความอยากความสงบความสุขใจก็จะหายไป ความวุ่นวายใจก็จะปรากฏขึ้นมาเราก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้รู้ว่า น, นี่แหละคือปัญหาตัวที่ทำให้เราทุกข์ใจวุ่นวายใจกันก็คือความอยากความโลภต่างๆนี่เองแล้วสิ่งที่เราได้จากการทำความโลภความอยากก็จะทำให้เราทุกข์ใจอีกเพราะเมื่อเราได้สิ่งที่เราชอบมาเราก็ต้องทุกข์กับการห่วงใย ทุ ก, กับการดูแลรักษาแล้วเราก็ต้องทุกเวลาที่เราจะต้องพัดพากจากสิ่งที่เราได้มานี่คือการใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นโทษของความโลภของความอยากพอจากสมาธิมาพอมันจะโลภจะอยากก็ใช้ปัญญามาสกัดบอกว่าอย่าทาการทำตามความโลภทำตามความอยากจะนำไปสู่ความโลภความอยากที่ไม่มีวันสิ้นสุด จะนำไปสู่ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายต่อไปเพราะหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วความโลภความอยากไม่ได้ตายไปกับร่างกายยังอยู่ที่ใจยังอยากได้นูน่นยังอยากมีนี่อยู่ก็จะต้องกลับมาเกิดมามีร่างกายอันใหม่ถ้าเราไม่ทำตามความอยากต่อไปความอยากมันก็จะหมดกำลังไปเชนะ่นคนที่สูบบุหรี่ทุกครั้งถ้า อยากจะสู่บุรีแล้วไม่สู่ต่อไปความอยากมันก็จะหมดกําลังไปเองความอยากมันมีกําลังเพราะเราไปส่งเสริมมันไปทําตามความอยากแต่ถ้าเราไม่ไปทําตามความอยากเราจะตัดกําลังของมันไปแล้วไม่ไม่นานมันก็จะหมดกําลังนี่คือวิธีที่เราจะเอาชนะความโลภความอยากได้ก็คืออย่าไปทําตามความอยาก เวลาอยากได้อะไรก็ไปนั่งสมาธิแทนดีกว่าไปพุโทโธพุโทโธไปนั่งดูลมหายใจเข้าออกแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องทำตามความอยากแล้วต่อไปความอยากที่เราไม่ได้ทำตามมันก็จะหมดกำลังไปพอไม่มีความอยากแล้วเราก็จะไม่มีอะไรมารบกวนใจเราใจเราจะสงบจะมีความสุขอยู่ตลอดเวลา ใจที่สงบที่มีความสุขตลอดเวลาเนีเขาเรียกว่าพระ น, นิพพานพระนิพพานไม่ใช่เป็นสถานที่แต่เป็นสภาพจิตใจของพวกเราที่เราสามารถรักษาให้มันสงบได้ตลอดเวลาด้วยการกำจัดความโลภความอยากต่างๆด้วยการบำเพ็ญจิตตภาวนาคือสมถภาวนาทำใจให้สงบและวิปัสสนาภาวนา สอนใจให้ฉลาดให้เห็นโทษของความโลภเห็นโทษของความอยากต่างๆแล้วก็จะสามารถทำให้ใจสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความโลภความอยากต่างๆเมื่อไม่มีความโลภความอยากก็จะไม่มีตัวที่จะมาผลักดันให้ใจไปเกิดอีกต่อไปเมื่อไม่เกิดก็จะไม่มีความแก่ไม่มีความเจ็บไม่มีความตาย ก็จะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ไปอยู่ที่เดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้อยู่กันนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เรามาวัดมาหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วเราต้องมีศรัทธาในคําสอน เมื่อมีศรัทธาเราจะได้น้อมนําออกไปปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติแล้วเราก็จะได้รับผลอย่างที่แสดงมาอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นเหมือนแสงสว่างนําทางที่จะพาชีวิตจิตใจของพวกเราให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด และให้เข้าสู่พระนิพพานที่มีแต่ความสุขมีแต่ความสบายไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี้ให้ท่านได้นำมาไปพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความหลุดพ้นจากความทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีะะรัตนกร